พวกเราทุกคนมีปัญหาทางใจด้วยกันทุกคนชอบไม่สบายใจวุ่นวาใจวิตกกังวลกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราขาดธรรมะสองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือสติข้อที่สองก็คือปัญญา สติกับปัญญานี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราขับรถเดินทางไปไหนมาไหนสติก็เป็นเหมือนกับเบรกปัญญาก็เหมือนกับแผนที่บอกทางเราเหมือนสมัยนี้มี GPS บอกว่าไปเส้นนี้จะมีปัญหาหรือไม่รถจะติดหรือไม่ ถ้ารู้ล่วงหน้าก็ อ, อย่าไปเส้นนี้ดีกว่าไปอีกเส้นหนึ่งส่วนสติก็เป็นเหมือนเบรกลถยนต์นี้ถ้าไม่มีเบรกเดี๋ยวก็ต้องไปชนกันใจเราไม่มีเบรกเดี๋ยวใจเราก็วุ่นวายกันขึ้นมาสตินี้มีไว้คอยหยุดอารมณ์ต่างๆแต่เราไม่มีสติกัน พอเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็ต้องปล่อยให้มันเสียไปจนกว่ามันจะหมดแรงไปหรือไม่ฉะนั้นก็มีเรื่องอื่นมากลบมันแต่จะสั่งให้มันหยุดนี้เราหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติกันส่วนปัญญาก็เราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรกันอย่างไ ร, รเรามักจะคิดไปในเรื่องที่ทาให้เราไม่สบายใจกัน พราะความไม่สบายใจของพวกเราทั้งหมดนี่เกิดจากความคิดของเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยพอเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็คิดกับเรื่องนั้นสิ่งนั้นแต่เราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นแทนที่จะคิดให้สบายใจกลับไปคิดให้ไม่สบายใจ ดังนั้นไม่ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่ใช่เป็นบุคคลต่างๆที่จะมาทำให้เราไม่สบายใจสิ่งที่จะมาทำให้เราไม่สบายใจคือความคิดของเราหรือการไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดหรือหยุดอารมณ์ที่มันบูดเบี้ยวขึ้นมาถ้าเรามามันฝึกสติมาเหมาสอนจะ มาหมนมาหมันสร้างปัญญาความรู้ต่อไปเราจะสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับสิ่งต่างๆได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาะควบคุมใจควบคุมอารมณ์ของเราได้ต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้าน อารมณ์ก็เงินทองไม่สามารถที่จะไปดับอารมณ์ต่างๆได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามสู้อารมณ์ไม่ได้อํานาจวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนแต่สู้อารมณ์ไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาทําให้มันหายไม่ได้ หมายว่าจะได้รับรางวัลเหรียญทองมากี่เหรียญก็ตามได้เกียรติบัตรเกียรติคุณอะไรต่างๆมันก็มาแก้ปัญหาของใจไม่ได้ต่ให้ได้ไปเที่ยวที่ไหนมามากน้อยเพียงไรได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปเห็นอะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากำจัดอารมณ์ที่บูดเบี้ยวต่างๆ ไม่ให้เกิดหรือไม่ให้หรือเวลามันเกิดก็กำจัดมันให้มันหายไปเพราะเราขาดเครื่องมือเครื่องมือที่จะมากำจัดอารมณ์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ก็คือขาดสติที่คอยเบรคอารมณ์ไว้แล้วขาดปัญญาที่จะคอยสอนใจ ไม่ให้ผลิตอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีขึ้นมานเีใจเราเป็นคนผลิตอารมณ์ต่างๆเองโดยโดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นชนวนมาเป็นตัวกระตุ้นะพอเห็นคนนั้นคนนี้ปั๊บเกิดอารมณ์เสียขึ้นมา ท, าทันทีพอได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ปั๊บเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีะ หรือเวลาไม่ได้ยินได้เห็นได้สัมผัสอะไรจากภายนอกภายในมันก็กระตุ้นอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาได้อยู่ลาพังคนเดียวเดี๋ยวก็คิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาทำให้ใจรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้นี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงของพวกเราต้องมาแก้ที่ใจแก้ด้วยธรรมะแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเรารับรองได้ว่าใจเราจะไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบมากน้อยเพียงไร ห, หนักขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนใจนี้สบายเพราะรู้จักรักษาใจหรือรู้จักควบคุมใจไม่ให้ผลิตอารมณ์ที่เสียขึ้นมา สามารถทำให้ใจอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสบายหรือไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆก็ได้แต่ใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่สบายใจอยู่คนเดียวก็ไม่สบายใจเพราะใจมันจะคอยผลิตความไม่สบายใจขึ้นมาเอง เราจึงต้องต้องเข้าหาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ส่งค้นพบวิธีส่งค้นพบเครื่องมือที่จะมากาจัดความรู้สึกไม่ดีต่างๆให้หมดไปจากใจเครื่องมือก็สองอันนี้แหละเป็นหลักคือสติหนึ่งสองปัญญา เราจึงต้องมาหัดฝึกสติกันถ้าฝึกสติได้เราก็จะหยุดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้เวลามันเกิดขึ้นมาเวลาเสียใจเราก็หยุดได้เวลาโกรธเราก็หยุดได้เวลาเศร้าเราก็หยุดได้เวลาเหงาเราก็หยุดได้ เวลาวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้เราก็จะหยุดได้ถึงแม้ว่าเรายัางจะไม่สามารถห้ามไม่ให้มันสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็อย่างน้อยหยุดมันได้เวลามันเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วพอเราได้สร้างปัญญาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนี้ เราจะสามารถห้ามหรือสอนใจไม่ให้ไปสร้างอารมณ์เสียต่างๆได้อารมณ์เสียนี่เกิดจากความคิดของใจเองคิดไปในทางที่ไม่ถูกที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่คิดไปในทางสัมมาทิฏฐิแต่คิดไปในทางสัมมาทิฏฐิใจจะไม่ผลิตความวุ่นวายใจไม่ผลิตความเสีย อ, อกเสียใจ ไม่สบายใจต่างๆเราจึงต้องมาฝึกสองอย่างฝึกสติฝึกปัญญาปัญญาก็ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยไปเหมือนกับไปโรงเรียนเรียนหนังสือเรียนมันทุกวันฟังเทศทุกวันอ่านหนังสือธรรมะทุกวัน แล้วมันจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในใจ เ, ออเวลาศึกษาใหม่ๆฟังใหม่ๆ ม, มันยังอาจจะเข้าไปได้ไม่ไม่ลึกอยู่ได้ไม่นานออฟังเทศน์ฟังธรรมปั๊บตอนที่ฟังก็เข้าใจเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปก็ลืมได้ออต้องอาศัยฟังบ่อยๆเพื่อให้มีสติมีธรรมะเตือนใจมีคอยเตือนใจเรา ให้เราคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจแล้วก็มาฝึกสติเพื่อหยุดอารมณ์ต่างๆถ้าปัญญาเรายังไม่ทันถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็ยังพอที่จะระงับหยุดได้ สติก็คล้ายๆเหมือนกับน้ําน้ําดับไฟถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาในบ้านถ้าเราเตรียมน้ําไว้เราก็สามารถที่จะดับไฟได้ทันท่วงทีถ้าเรามีปัญญาเรารู้สาเหตุของการเกิดไฟว่าเกิดจากอะไรเราก็ระงับเหตุเหล่านั้นเช่นสายไฟฟ้าลัดวงจรก็อาจจะต้องไปเรียกช่างให้เข้ามาเดินสายใหม่มา ใส่อะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเพราะทุกอย่างไฟมันต้องมีต้นเหตุเหตุที่ทำให้ไฟมันลุกส่วนใหญ่เขามักจะว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือประมาทเลินเล่อเปิดไฟทิ้งไว้หรือบางทีต้ม อ, อะไรต้มน้ำแล้วลืมถอดปั้งไปข้างนอก มันก็ไม้น้ําแห้งแล้วก็เริ่มไหม้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปัญญาปัญญาเราจะมาศึกษาค้นหาว่าทําไมเราจึงคิดแบบนี้คิดแล้วให้เราไม่สบายใจทําไมคิดไปทไําไมความไม่สบายใจนี้มันไม่ดีนะมันมันเป็นอันตรายต่อจิตใจ ต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถมากาจัดความไม่สบายใจต่างๆได้อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ากาจัดมันได้แต่ก็เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่เพราะเราไม่ได้ไปกาจัดที่ต้นเหตุคือการขาดปัญญา ขาดการรู้สาเหตุที่ทำให้ใจเราวุ่นวายความวุ่นวายใจก็เกิดจากความคิดคิดไปในทางที่ทำให้วุ่นวายใจก็ได้คิดไปในทางที่ทำให้ใจไม่วุ่นวายก็ได้เรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันสามารถคิดให้เกิดความวุ่นวายใจก็ได้สามารถคิดให้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายใจก็ได้ อยู่ที่เราจะคิดเป็นหรือไม่ถ้าเราคิดไม่เป็นก็แสดงว่าเราขาดปัญญาเราก็ต้องมาหัดเรียนวิธีคิดหัดเรียนจากพระพุทธเจ้าหัดเรียนจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหัดเรียนจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราคิดไปในทางที่จะทำให้เราสบายใจทำให้เราไม่วุ่นวายใจ ดังนั้นเราต้องมอฝึกสติกันเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะไปสอนใจให้เกิดปัญญาเพื่อให้เอาปัญญามาสอนใจอีกทีได้นี้เราต้องหยุดใจก่อนเราต้องสามารถสั่งใจให้ได้ก่อนถ้าเรายังหยุดใจไม่ได้สั่งใจไม่ได้เราจะเอาปัญญามาสอนใจไม่ได้มันจะไม่ฟัง น้นเบื้องตอนนี้ต้องมาฝึกสติก่อนฝึกควบคุมใจอย่าให้อย่าให้มีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาวิธีที่จะฝึกสติก็มีหลายวิธีด้วยกันสิ่งที่เราจะมาใช้ในการสร้างสติเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเช่น มีพุทธะมีอนุสติสิบอนุสติสิบก็มีพวกพุทธานุสติเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพุทโธพุทโธธรรมานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมานุสติสังขานุสติก็เ ล, ลิกถึงพระอริยสงสาวก แล้วลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์อาณาปณะสติก็ให้เราเลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกายกตาสติก็ให้เราเลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้ใจผูกติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่น ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายอย่าแยกกันส่วนใหญ่เรามักจะแยกกัน ร่างกายอาบน้าแต่เราไปไหนเราก็ไม่รู้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติละไม่สามารถควบคุมใจควบคุมใจให้อยู่กับที่ให้อยู่กับที่เดียวที่ใดที่หนึ่งอยู่กับพุทธโธก็ได้ก็เรียกว่าพุทธานุสติอยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้เรียกว่าธรรมานุสติ บทสวดมนต์ก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองต้องให้มีอะไรผูกใจไว้ดึงใจไว้เรียกว่าการมีสติถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่เฉยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็จะควบคุมอารมณ์ได้เพราะอารมณ์มันเกิดจากความคิดของเรานี่เอง พอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้คิดถึงปัญหาต่างๆที่มีอยู่ยังแก้ไม่ได้พอคิดถึงมันก็ไม่สบายใจคิดถึงอุปสรรคที่ขวางกั้นในสิ่งที่เราอยากได้พอคิดมันก็ไม่สบายใจไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรค่อนจริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ความไม่สบายใจของเราที่เกิดจากความอยากไปแก้แก้อุปสรรคต่างๆที่เกิดจากความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆตามความต้องการพอไม่ได้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเราอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไป ก็หยุดมันเท่านั้นเองหยุดความอยากหยุดความคิดเข้ามาหาพุทโธพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักระยะหนึ่งความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆก็หายไปอันนี้แหละเป็นวิธีแก้ที่ต้นเหตุถ้าแก้ที่ปลายเหตุก็คือไปแก้ที่ตามความอยากพออยากได้สิ่งนี้ไม่สบายใจก็พยายามหาวิธี หาไปหามาเดี๋ยวก็อาจจะได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาพอได้แล้วความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่กับสิ่งใหม่ขึ้นมาอีกแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาใหม่อีกก็จะต้องต้องไปคอยแก้อยู่ข้างนอกอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีก็แก้ไม่ได้บางอย่างปัญหาบางอย่าง สิ่งบางอย่างอยากจะได้ก็ไม่ได้ ก, ก็มีก็จะไม่สบายใจไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาแก้ที่ใจแก้ที่ความคิดของตนเองว่าไม่เห็นความจริงว่าความจริงคืออยากแล้วแต่มันไม่ได้แล้วก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเปลี่ยนใจเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้อยากเราก็อยู่ได้ พอเราอยากขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมา <c oughs> อย่างนั้นเราต้องมาหัดฝึกสติฝึกปัญญากันสติก็คอยหยุดความคิดหยุดตัวที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจต่างๆหรือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็หยุดมันได้เช่นเราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราลองพุทโธไปสักพักดูเนี่ย พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวความไม่สบายใจอันนั้นรับรองได้ว่าหายไปเพราะเราจะลืมถึงเรื่องนั้นเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจพอเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปสักพักเราก็ลืมเรื่องที่ไม่สบายใจได้แต่ถ้าเราหยุดพุทธโธเมื่อไหร่มันก็อาจจะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกก็ได้ถ้าคิดอีกมันก็จะทําให้เราไม่สบายใจอีก ถ้าอยากจะให้ไม่ไม่ให้ความไม่สบายจากนั้นหายไปอย่างร า, าบคาบก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้คิดให้เลิกกับเรื่องนั้นให้ได้เราติดอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้ให้ใช้ปัญญามองเรื่องนั้นว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำไรายได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ไปอยากมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นถ้าเกิดเรามีโรคภัยแค่เจ็บที่หมอรักษาไม่หายแต่เราอยากจะให้มันหายมันยังไงมันก็ไม่หายมันก็จะทําให้เรามีแต่ความไม่สบายใจเพราะว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากการที่ไม่ได้ตามความอยากของเรา ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากของเรายอมรับความจริงยอมรับว่าเออมันรักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเรายอมรับความจริงได้หยุดความอยากได้ความไม่สบายใจก็หายไปส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย มันก็จะไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจแต่อย่างใดถ้าใจรับมันได้อยู่กับมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับเรานี่ยอมรับสภาพกับร่างกายของเราตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้มีรูปนั่งหน้าตายอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปเกิดความอยากจะเปลี่ยนมันนี้เราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดความอยากอยากจะเปลี่ยนมันขึ้นมา มีสิวมีฝ้าอยากจะไปกาจัดมันแล้วก็กาจัดไม่ได้เวลาดูกระจกที่ไรก็จะไม่สบายใจทุกทีไปเพราะความอยากอยากให้สิวให้ฝ้ามันหายไปแต่ถ้าเรายอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันไปมีสิวมีฝ้ามีหน้าตาแบบนี้ก็ต้องอยู่กับมันไป ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ไม่รู้สึกไม่สบายใจนันี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่ค่อยยอมรับความจริงกันเราอยากจะให้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้ พอไม่ได้ดังใจอยากก็ไม่สบายใจ อ, อารมณ์ขุนมัวต่างๆก็ปรากฏขึ้นมามเราจึงต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยต่อให้มันวิเศษขนาดไหนก็ตาม เ, เดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็หมดชีวิตเราเดี๋ยวเราก็ตายของที่เราดิ้นนองหากันมาแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวมันก็ เอกไปไม่ได้พอร่างกายตายไปก็เราก็เราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้เอาติดตัวไปไม่ได้ร่างกายที่เราอุตส่าห์ดูแลเลี้ยงดูคอยเสริมความงามคอยเสริมสวยคอยตบคอยแต่งอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บนะไปวุ่นวายไป ไปกับมันทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรหันมองความจีไม่จีรังถาวรของสิ่งต่างๆบ้างหากันมาแทบเป็นแทบตายได้เงินมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านตายไปออกไปได้ไม่แม้แต่สลึงเดียวเอาไปอะไรไม่ได้เลยร่างกายที่คอยดูแลรักษากันอย่างดีอย่างดีหาซื้อเสื้อผ้าที่สวยงามที่มีราคาแพงๆมาสวมใส่ แล้วเวลาตายไปเป็นยังไงคนอื่นเอาไปใช้หมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมดอนี่หัดมองอนิจังบ้างความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆเะฉั้นอย่าไปวุ่นวายใจกับการหาสิ่งต่างๆเลยเพราะถ้าเราไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายอยู่ดีมันก็จบที่ความตายทั้งนั้นนะ อย่าไปวุ่นวายกับการาหาอะไรต่างๆมาเลยวุ่นวายกับการรักษาดูแลร่างกายเกินกำลังของเราเกินความสามารถของเราถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเถิดเพราะร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้คือปัญญาถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เราจะเบา อ, อกเบาใจขึ้นเยอะเลยที่เราหนัก อ, อกหนักใจกัน mm. ก็เพราะว่าเราไปมองว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วสิ่งที่เราได้มาโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหามาเราก็จะคิดว่าเป็นเราของเราเหมือนกันเป็นของเราไปหมดได้ทรัพย์สมบัติได้ข้าวของเงินทองได้บ้านได้รถยนต์ได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้อะไรต่างๆมา เราก็จะคิดว่าเป็นของเราทั้งนั้นอันนี้แล้วคิดผิดเรื่อมิจฉาทิฏฐิคิดถูกนี่ต้องคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวเป็นเหมือนของยืมมาของต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันเป็นเหมือนของยืมมาเดียววันหนึ่งเราก็ต้องคืนไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ เวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาเรามาเกิดเราเกิดเรามาตัวเปล่ปาเปล่าเรามาแล้วเราก็ได้รับร่างกายจากพ่อแม่พอเราได้รับร่างกายพอร่างกายจเจริญเติบโตเราก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้เราหาไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอวันตายก็คืนหมดเลยคืนร่างกาย เกินสมบัติเกินเกินสิ่งต่างๆไปหมดไม่มีอะไรที่เราเอาติดตัวไปได้เราก็จะไปตัวเปล่าๆต่อไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปได้รับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ให้มองอย่างนี้มองภาพแบบนี้แล้วเราจะได้ลดความวุ่นวายใจได้ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็คิดว่า ก็เท่านั้นได้ก็เท่านั้นไม่ได้ก็เท่านั้นเดี๋ยวมันก็จบอยู่ดีเดี๋ยวตายไปก็ต้องคืนเข้าไปหมดหันเมื่อก่อนเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ทำไมเราจะต้องไปไปวุ่นวายกับมันในตอนนี้เมื่อเราไม่มันก็ไม่มีมันอยู่ดีที่วุ่นวายใจก็เพราะเกิดความอยากได้มันขึ้นมาท่านเองแต่ก่อนที่เราเกิดความอยากเราก็ไม่มีมันไม่ใช่หรสิ่งที่เราอยากได้ เราก็ไม่มีแต่ตอนนั้นเราไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่มีความอยากได้แต่พอเราเกิดความอยากได้ขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีนี่คือคือปัญญาให้สอนใจให้รงับหยุดความอยากต่างๆด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันให้ ความสุขกับเราประเดียวประดาวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากมันไปหรือมันต้องจากเราไปมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วใจจะเบาใจจะสบายใจจะอยู่ตามมีตามเกิดได้เข้าใจไหมคำว่าตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ดีไม่ได้มาก็ดี เพราะว่ามันมีผลเท่ากันได้มาหรือไม่ได้มามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากสําหรับจิตใจของเราจิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเราเราหยุดความอยากต่างๆได้หรือไม่ถ้าเราหยุดความตระอยากต่างๆได้จิตใจเราจะเบาจะสบายจะเย็นจะมีความสุขถ้าเราหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ มันจะทำให้จิต ใ, ต네ใจเราร้อนวุ่นวายวิตกกังวลกิน ไ, ไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายหัดยินหัดทาใจยินดีตามมีตามเกิดอยากจะขายอะไรยังขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ก็ยินดีขายได้ก็ยินดีใจสามารถมีความสุขได้โดยที่ขายไม่ได้ก็มีความสุขได้ ทำใจให้สงบหยุดความอยากขายสักอย่างแล้วมันก็สบายใจขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเมื่อก่อนก็อยากซื้อมันพอซื้อมาได้มาแล้วทีนี้อยากจะขายมาันนะเวลาอยากซื้อถ้ามันซื้อไม่ได้ก็ไม่สบายใจพอเวลาอยากขายขายไม่ได้ก็ไม่สบายใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้หรือไม่ได้มีหรือไม่มี เราไม่มีเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้เรามีเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้เพราะความสุขของใจเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีความสุขของเราขึ้นอยู่กับความอยากหรือไม่อยากนี่คือเรื่องของปัญญาเราเราต้องพยายามหาวิธีทุกวิถีทางที่จะหยุดความอยากต่างๆให้ได้ และวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆให้ได้ก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เห็นไหะตอนนี้เรามีสิ่งนี้แล้วที่เราอยากจะขายมาันละพอขายไม่ได้มันก็ทำให้เราทุกข์ละตอนต้นเราไม่มีอยากได้เราคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขก็ไปซื้อมาเวลาซื้อมาก็ดีใจแต่ต่อมาเกิด เปลนใจไม่อยากได้เลยแล้วอยากจะขายแล้วทีนี้ขายไม่ออกก็ไม่สบายใจขึ้นมาถ้ารู้ตั้งแต่ต้นมาไม่ซื้อมันเส้นดีกว่ามันก็จะได้ไม่มันไม่ต้องวุ่นวายกับการการไปซื้อหรือกับการซื้อมาแล้วแล้วต้องการเอาไปขายอีกทําใจเราให้เฉยๆอยู่ตามมีตามเกิดได้มันสบาย ใจเราไม่ต้องการอะไรนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้ใจเรามีความสุขได้ต่อให้ได้เงินกองเท่าภูเขาก็ไม่ได้ทําให้ใจเราเออ่สุขใจอย่างใดสุขก็สุขแบบไม่สบายใจแกอ่พอมีเงินเยอะแล้วคิดว่าจะสบายใจเหรอนี่ก็ต้องมากังวลกับเรื่องเงินที่มีแล้วต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยกังวลหวาดกลัวเออ กลัวจะสูญหายกลัวจะเสียไปมันไม่มีความสุขหรอกความสุขใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอะไรความสุขใจขึ้นอยู่กับการไม่มีความอยากถ้าหยุดความอยากได้กำจัดความอยากได้ใจจะสบายเนยอันนี้เราต้องมาฝึกกันตอนต้นเรายังฝึกปัญญาไม่ได้ก็ฝึกสติก่อน สตินี um. ่ง no like like ่ายที่สุดพยายามผูกใจไว้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายก็ได้อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธหรือถ้าอยู่กับร่างกายก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ร่างกายอยู่ตรงนี้ก็ให้ใจอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้มันไปที่บ้านอย่าให้มันไปที่ทางาน อย่าให้มันไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เรื่องเมื่อวานเชิอย่าให้ใจไปอดีตอย่าให้ใจไปอนาคตให้ใจอยู่กับร่างกายไปพออยู่กับร่างกายใจจะว่างจะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะสบายพอไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาอยู่กับคิดถึงเจ้าหนี้ก็ไม่สบายใจละคิดถึงภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบ กับคนนั่นคนนี้มันก็หนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีฉะนั้นพยายามหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้เถิะทำใจให้สบายถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จำเป็นคิดว่าตอนนี้ต้องทำอะไรต้องกินก็กินต้องอาบน้ำก็อาบน้ำต้องซักผ้าก็ซักผ้ า, ผาต้องกวาดบ้านก็กวาดบ้านคิดแค่นี้พอคิดกับเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ หรือถ้าต้องคิดถึงอนานะคตเพื่อเตรียมการก็คิดได้เช่นว่าเย็นนี้ต้องไปทําอะไรพอคิดเสร็จดูแล้วก็เพาะหยุดคิดไว้่รอให้ถึงเวลาแล้วค่อยไปทําตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องไปคิดเหมือนคิดน้อยๆคิดให้น้อยที่สุดแล้วอารมณ์จะน้อยใจจะเบาใจจะเย็นใจจะสงบ ถ้ามันชอบคิดเลื่อยเปื่อยชอบคิดเพ้อฝันอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็หยุดมันเถอะเพราะมันไม่เป็นความจริงคิดเพ้อฝันคิดแล้วทําให้เสียอกเสียใจคิดแล้วไม่ได้ดังใจคิดก็เสียใจน้อยใจหยุดมันดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปดีกว่านี่คือสติหยุดความคิดด้วยสติต้องใช้พุโทโธถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุโทโธ ใช้ร่างกายเป็นที่หยุดความคิดผูกใจให้อยู่กับพุโทโธผูกใจให้อยู่กับร่างกายถ้าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรเวลานั่งหลับตานั่งสมาธิก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออกนั่นั่งดูลมไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาว หยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้ลมเขาหายใจของเขาตามธรรมชาติของเขาเหมือนตอนนี้เราไม่ได้ควบคุมบังคับลมใช่ไหมเรานั่งฟังธรรมแล้วก็ฟังธรรมไปส่วนลมหายใจจะหายใจเข้าหายใจออกจะสั้นจะยาวจะหยาบละเอียดเราก็ปล่อยเขาไป ก็เช่นเดียวกับเวลาที่เรานั่งสมาธินั่งดูลมก็ปล่อยเขาไปเรามีหน้าที่ผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองเพื่อใจจะได้ไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้ามันคิดแล้วมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านได้ <c oughs> ถ้ามันไม่คิดแล้วมันจะเบาจะเย็นจะสบายแล้วมันจะสงบมันจะนิ่งในที่สุด พอมันนิ่งมันสงบเต็มที่แล้วมันจะเกิดความสุขมหาหัตจรรย์ใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นความสุขที่ดีกว่าได้เป็นนายกได้เป็นอะไรเป็นความสุขที่ดีกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นความสุขที่ดีกว่าได้ไปเที่ยวรอบโลกถ้าใครได้เข้าถึงความสุขอันนี้แล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกต่อไป ต้องการความสุขแบบนี้เพียงอย่างเดียวจะอยากไปหาเวลานั่งสมาธิบ่อยๆนั่งทำใจให้สงบแล้วมีความสุขไม่ไม่เหนื่อยเหมือนกับความสุขอย่างอื่นกว่าจะได้มา น, นี้ต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ต้องแข่งขันกันอันนี้สู้กับใจของตัวเอ ง, งนั่นเองสู้กับความคิดทนั้นเองถ้าเราหยุดความคิดได้เท่านั้นเราก็ชนะแล้วเราก็จะได้รางวัลเหรียญทอง ที่ไม่มีรางวัลอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่าเพราะความสุขที่ได้จากเหรียญทองอันนี้มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มหาศาลพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือวิธีที่เราจะกําจัดเรื่องความวุ่นวายใจต่างๆในขั้นที่หนึ่งก็คือการขั้นที่ทําใจเรา ให้สงบหยุดความคิดต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆถ้าเราหัดทำบ่อยๆต่อไปเราจะสามารถหยุดอารมณ์ได้ทันทีเวลาเกิดอารมณ์รู้สึกไม่ดีปุ๊บพอรู้ปั๊บก็หยุดมันได้ปั๊บเลยพอจะไม่สบายใจปั๊บก็หยุดมันได้พอมันจะโกรธปั๊บมันก็หยุดมันได้พอจะเสียใจปั๊บก็หยุดมันได้ไม่ปล่อยให้มันลากยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมง บันทีเสียใจได้ยินคนเขาด่าเราเมื่อเช้านี้ตอนบ่ายก็ยังเสียใจอยู่นี่ลากยาวไปเลยเพราะไม่มีสติขอยหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาด่าเราอย่าไปคิดคิดไปทําไมคิดเมื่อแล้วทาให้เราไม่สบายใจมันก็เหมือนกับเอาค้อนมาตีศีรษะเราเนี่ยเอาค้อนมาตีศีรษะให้เจ็บทําไมเราเป็นคนตีเองเราก็หยุดตีซิ เราเป็นคนคิดเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดคิดมันเท่านั้นเองแต่เราไม่มีเครื่องมือหยุดมันว่ามันคิดแล้วมันก็เหมือนเหมือนกิ้งก้อนเห็นลงจากภูเขามันก็กิ้งลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงตีนเขามันถึงจะหยุดได้เพราะเราไม่มีเบรกคอยหยุดมันนั่นเองนี่คือความสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องมาสร้างเบรกมาสร้างสติกัน เพราะมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราได้ไม่ต้องไปหาเงินมาแก้ความทุกข์ไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้ความทุกข์ถ้าแก้แบบนั้นมันก็แก้ได้ปั๊บเดียวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาไม่เชื่อก็ลองทบทวนชีวิตเราดูสิเนี่ยเราทําอะไรต่างๆมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ย เราพยายามแก้ความทุกข์ต่างๆด้วยการไปทำํนทำนู่นทํานี่ด้วยการไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วความทุกข์มันหายไปหมดไหมมันก็ยังมีมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆพอไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นเพราะมันมีความอย า, อยากอยู่ตลอดเวลามันมีความคิดอยากอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามาคอยควบคุมความคิดอยากได้แล้วเราจะสบายใจมันจะไม่วุ่นวายใจ การที่เราไม่อยากไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไปหาสิ่งที่จำเป็นมาเรายังคิดหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่เราจะหาแต่สิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่จำเป็นก็มีแค่สี่อย่างคืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ไปหามันตามกำลังของเรามีกำลังทรัพย์กำลังทรัพย์มากก็หาได้มากหาได้ดี มีกำลังทรัพย์น้อยก็หาได้น้อยแต่ก็หาได้กันทุกคนไม่ยากของนี้สิ่งเหล่านี้เราจําเป็นต้องมีกันถ้าเรายัางต้องการให้ร่างกายอยู่ต่อไปแต่สิ่งอย่างอื่นนี้เราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อถ้าเราหาไม่ได้ตามที่เราต้องการก็อย่าไปหามันเราก็จะไม่ไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเรายังดันทุรังยังอยากจะได้อยู่นั่นอยาก แต่ก็ไม่ได้สถยทีมันก็ทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดมันเราไม่มีสติคอยหยุดมันเราไม่มีปัญญาคอยสอนใจว่าการที่เราจะไปหาสิ่งต่างๆมากำจัดความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆสิ่งต่างๆ ต้นเหตุมันอยู่ที่ใจของเราเองอยู่ที่ความอยากของเราเองเราจะแก้ความอยากของเราได้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้พอเราได้มาแล้วมันจะทำให้เราทุกข์มากกว่าทาให้เราสุขความสุขที่เราได้อาจจะเป็นความสุขช่วงแรกๆพอเวลาเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็ดีใจแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขดีใจกัน พออยู่กันไปชักระยะแล้วเดี๋ยวก็เริ่ม เ, เริ่มมีปัญหากันแล้ว เ, เริ่มมีการทะเลาะเบาแวงเริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเริ่มมีการกระทาที่ขัดแย้งกันแล้วดีไม่ดีต่อไปก็นำไปสู่การทะเลาะวิวากันการทุบตีกันต่อไป เ, อเราไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่หยุดตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราเห็นว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ อยู่คนเดียวดีกว่าอาจริงๆที่มันมันส่วนใหญ่มันจะบรรลุเมื่อสายเสียแล้วูยนยี้ไม่เอาดีกว่าแต่พอมันเข้าไปในปากแล้วมันทำไงล่ะเกินก็ไม่เข้าขายก็ไม่ออกอก็ต้ององมอยู่ในปากอยู่แบบนั้นหวานอมขมก้เกินไปแต่ถ้ามีปัญญารู้ล่วงหน้าก่อนว่ า, ามันจะทำให้เราทุกขนะ์นต่อไปถึงแม้ว่าตอนต้นมันจะทำให้เราสุข แต่ถ้าเรามองดีๆแล้วทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราตลอดไปหรอกเพราะของต่างๆมันจะต้องเสริมต้องชำรุดทุดท่ดอมฮะแม้แต่รถยนต์นี่ซื้อมาใหม่ๆก็วิ่งดีใช่ไหมแต่ ว, วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เสียแล้วเลยเดี๋ยวก็ต้องเข้าซ่อมถ้าเสียบ่อยๆนี่ก็อยากจะคืนรถเขาไปแล้วไม่อยากจะได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะต้องมองอย่างนี้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็าเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีไปเพราะทุกอย่างมีการเจริญแล้วต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาหัดมองอย่างนี้บ่อยๆแล้วแล้วเราก็จะหยุดความอยากความต้องการสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็มาหา สิ่งที่เรามีคุณมีประโยชน์กับเราจริงๆดีกว่าก็คือความสงบนี่เองแทนที่อยากจะได้รถยนต์ได้อะไรก็กลับมาอยากได้ความสงบดีกว่าพอได้ความสงบแล้วใจสบายเวลาอยากได้แฟนก็เอาความสงบดีกว่าเลือกระหว่างความสงบกับแฟนเปรียบเทียบดูได้เลยว่าความสงบนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยเลยมีแต่ประโยชน์ แต่มีแฟนนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปสลับกันมา เ, ออเวลาสุขก็ดีหรอกแต่เวลาทุกข์นี่มันขมขื่นนะกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนอยากจะฆ่าตัวตายก็มีเหตนสิ่งที่เราควรจะทำในเบื้องต้นก็คือมาฝึกสติเพื่อมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้ก่อน พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะได้มีทางเลือกเวลาอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนดีกว่ากันสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนนะมันไม่มีอะไรรับประกันว่ามันจะดีไปตลอดนะมันไม่มีอะไรรับประกันว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดะของบางทีดีแต่อยู่ๆ อ, อยู่ดีๆก็จากเราไปก็มี ของไม่ดีอยากจะให้มันจากมันก็ไม่ยอมจากก็มีถ้ามองอย่างนี้กับเหตุกับสิ่งต่างๆเราก็จะเปรีย บ, เ, ยบเทียบ ว, ว่าเราเลือกความสงบดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่ารับรองได้ถ้าเราเราลองได้สัมผัสกับความสงบแนมะ้แต่เพียงครั้งเดียวแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมความสุขต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้มันเป็นเหมือนของปลอมทั้งนั้น มันสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ไม่ใช่สุขแท้ถ้าสุขแท้มันต้องสุขไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันศูนย์มีอันเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสุขแท้ก็คือความสงบที่เราได้จากการฝึกสมาธิฝึกสตินี่เองทาไปเถิดพอได้อันนี้แล้วมันจะสบายใจมันจะปลอดภัยจากความวุ่นวายใจต่างๆปลอดภัยจากความเศร้าโศกเสียใจ ตลอดภัยจากความไม่สบายอกไม่สบายใจต่างๆเพราะเราจะไม่ต้องการอะไรเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสงบนี้เราก็จะพยายามทำความสงบให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นมันไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องทำอะไรนะให้นั่งเฉยๆนะอยู่กับบ้านอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในที่มันไม่มีอะไรมารบกวนใจ ถ้าอยู่บ้านหลายคนก็ให้มีห้องของเราเข้าไปในห้องแล้วนั่งหลับตาพุโทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปอานาทีสิบนาทีมันก็สงบแล้วมีความสุขแล้วทําอย่างนี้ไปต้องฝึกสติบ่อยๆมันถึงจะทำได้ที่มันนั่งแล้วไม่สงบเพราะมันไม่มีสติคอยหยุดความคิดนั่งแล้วก็ยังคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆ มันเลยไม่เคยสงบสักทีเพราะเราไม่ฝึกสติอย่างเอาจริงเอาจังกันเราไม่รู้ไม่มีใครสอนให้เราฝึกสติมีแต่สอนให้นั่งสมาธิแต่ไม่สอนให้ฝึกสติก่อนก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้กันนั่งแล้วก็ไม่สงบเพราะไม่มีสติเราต้องมีสติเป็นตัวที่จะตลด่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราไม่มีสตินี้มันจะไม่มีอะไรมาคอยตะล่มให้มันเข้าสู่ความสงบมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยหนึ่งสอนให้ฝึกสติก่อนสตินี้ต้องฝึกทั้งวันเลยนะฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาพอมันจะคิดเรื่องนุ้นเรื่อง น, น, นี้ก็ใช้พุทโธเลยดึอดึงให้มันกลับมาดูที่ร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกาลังอยู่ในท่านอนอ กำลังจะลุกกำลังจะยืนกำลังจะเดินดึงมันกลับมาให้อยู่ที่ร่างกายอย่าปล่อยให้มันคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เวลาไปทำธุระไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้มันอยู่กับร่างกายอยู่กับการทำงานของร่างกายไปถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องใช้พุทธโธดึงกลับมาถ้ามันจะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ยกเว้นสิ่งที่จำเป็นต้องคิดเช่นวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทำงานต้องไปมีธุระที่ไหนหรือเปล่า<ม>ก็คิดได้แต่มันไม่คิดยาวหรอกคิดแค่สองสามนาทีมันก็เสร็จแล้ะพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไปเวลาเดินทางก็ให้อยู่กับการเดินทางอย่าเพิ่งไปถึงที่ที่เรายังไม่ถึง ให้มันอยู่กับร่างกายอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่อนาคตบางทีร่างกายยังไม่ถึงที่ทำงานใจมันไปถึงที่ทำงานก่อนแล้วมันไปเตรียมงานที่ทำงานก่อนแล้วมันเลยไม่มีสติมันมันมันลอยมันเลยเป็นอิสระมากเกินไป่หวให้มันคิดของงานมนก็เลยพอถึงเวลามันคิดเรื่องที่ทำให้เราเสียอกเสียใจเราก็ห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเราคอยคุมมันอยู่เรื่องนี้พอมันจะคิดไปในเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจเราก็หยุดมันได้เหมือนกับขับรถเนี่ยพอเรารู้ว่าพอถึงสียากไฟแดงต้องหยุดแล้วก็มีเบรกแล้วก็เหยียบได้หยุดบรรดาแต่ถ้าเราไม่ติดรถไม่มีเบรกมานี่พอถึงสียากไฟแดงก็วิ่งเลยไฟแดงไปเดี๋ยวก็ต้องไปชนกับรถคันอื่น น, นี่คือสติสาคัญมาก เป็นธรรมที่จะควบคุมจิตใจของเรานี้ให้อยู่ในที่ปลอดภัยจะไม่ให้มันไปสร้างเรื่องวุ่นวายใจต่างๆมาใสา่ใจคอยควบคุมใจแล้วเวลามีเวลาว่างเราก็มานั่งสมาธิกันนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วแต่ว่าอันไหนเราจะถนัด บางทีดูลมไม่ได้ก็ท่องพุทโธไปก่อนท่องไปจนสักพักรู้สึกว่าอยากจะพุทอยากจะหยุดพุทโธแล้วมาดูลมต่อก็ถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปดูลมก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆไม่ต้องปล่อยมันตามธรรมชาติของมัน ดูเฉยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับคิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวแล้วใจก็จะค่อยๆสงบสงบไปความสุขความเบา อ, อกเบาใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับพอมันสงบเต็มที่มันก็จะสุขเต็มที่ขึ้นมาพอมันสงบเต็มที่ก็หยุดดูลมได้หยุดพุทโธได้ถ้าพุทโธก็หยุดพุทโธได้ตอนนั้นก็มีสติที่จะประคับประคองคอยดูความสงบไปอย่าปล่อยให้ใจคิด ถ้าคิดก็หยุดมันด้วยสติพอรู้ว่าคิดปั๊บถ้ามีสติมันก็หยุดคิดได้แล้วถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องกลับมาใช้พุทโธหรือกลับมาใช้หลมพยายามันนั่งให้นานๆให้มันสงบนานๆนนแล้วมันจะมีพลังมันจะเย็นจะสบายเวลาออกจากมาออกจากสมาธิใหม่ๆก็จะรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจสบายอกสบายใจ จะไม่หิวไม่โหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขแต่มันก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราก็ต้องเริ่มพุโทโธใหม่เริ่มคอยผูกใจให้เฝ้าอยู่กับร่างกายต่อไปทำอย่างนี้ไปออกจากสมาธิมาก็กลับมาจเจริญสติต่อ ดูร่างกายต่อไปว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มันอยู่กับการทำอย่างเดียวอย่าไปให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเราเสร็จงานไม่พอมีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรอย่าไปดูการ์ตูนอย่าไปดูละครอย่าไปฟังเพลงอย่าไปกินขนมนมเนยถ้ายังไม่ถึงเวลากินอย่าไปกินกินให้มันเป็นเวลา มานั่งสมาธิดีกว่าได้ความสุขมากกว่าการกินการดูการฟังอะไรต่างๆทํานี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นติดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วเราจะไม่ต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่เราให้ความสุขกับเรานี้เราหาเราสามารถหามันได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครมีอะไรหรือไม่มีอะไร เราสามารถหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้แต่ถ้าเราต้องหาความสุขจากขนมนมเนยพอไม่มีขนมกินมันก็ไม่มีความสุขละพอเราหาความสุขจากการดูละครพอไมยังไม่ถึงเวลาดูละครไม่มีละครให้ดูมันก็ไม่มีความสุขละแต่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่ทำได้ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาขอให้เรามีเวลาทำเท่านั้นเอง พอเรามีเวลาว่าแทนที่จะไปดูละครไปนั่งสมาธิดีกว่าแทนที่จะไปกินขนมไปดื่มกาแฟก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า mm hmm. เอาจริงๆถ้าลองได้สัมผัสความความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแล้วมันจะไม่อยากได้อะไร mm hmm. แล้วเงินก็ไม่ต้องเสีย mm hmm. เมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องไปทํางานหาเงินหาทองะ ทีมเนี่ยทุกวันนี้เทนเเหนื่อยกันก็เพราะต้องไปหาเงินมาเพื่อจะได้เอามาซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขได้ความสุขเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้ะกินกาแฟาหมดแล้วก็หมด้วความสุขนั้นอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องกินถ้วยใหม่อยากจะได้ความสุขจากละครก็ต้องดูเรื่องใหม่มันต้องต้องมีของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆต้องเสียเงินอยู่เรื่อยๆเลยต้องไปลำบากลากตามลำบากกับการไปหาเงินหาทอง ทำงานนี้สนุกั้ยกว่าจะหาเงินมาได้สักบาทสองบาทนี่กว่าจะเอามาซื้อทำงานเกือบเดือนพอมาใช้วันเดียวก็หมดละเงินเดือนออกวันเดียวไปเที่ยวกันฉลองกันกินเงินวันเดียวก็หมดละ <c oughs> สู้มาฝึกสมาธิฝึกสติดีกว่า <c oughs> แล้วต่อไปเราจะสบายไม่ต้องไปทำงานมากทำเท่าที่จำเป็นทำพอมาหาปัจจัยสี่ก็พอ ถ้าอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นเราเอาการนั่งสมาธิเป็นความสุขแทนไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนหนม้นจะเที่ยวกันนักทีนี่ต้องเหนื่อยแม้ถ้าไปเที่ยวเมืองนอกนี่ต้องเตรียมหนังสือเดินทางต้องไปจองตัว๋วจองโรงแรมแล้วยังต้องไปเสี่ยงภัยกับขึ้นเครื่องบินไม่รู้มันจะลงแบบไหน เนียสมาธินี่ปลอดภัยที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดเนี่ยเนี่ไม่เชื่อลองทําดูสิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าไม่มีความสุขกันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนะขอให้พวกเราลองมาฝึกสติกันก่อนะสตินี้เป็นเหมือนตั๋วเรือบินถ้าไม่ตีตั๋วเขาไม่ขึ้นเครื่องนั้นต้องมาฝึกสติก่อนถึงจะเข้าสมาธิได้ อยู่ดีๆจะมานั่งสมาธิทันทีนี้นั่งไม่ได้แร้วนั่งปั๊บเดี๋ยวก็นั่งไม่ไหวละอึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรงนี้ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนคอยควบคุมความคิดลดความคิดลงให้มันน้อยลงถ้าลดความคิดได้ก็จะลดความอยากได้ลดความอยากได้ก็จะลดความรู้สึกอึดอัดได้ที่เรานั่งแล้วรู้สึกอึดอัดเพราะมันไม่อยากนั่งเข้าใจไหมมันอยากจะไปทําอย่างอื่นมันก็เลยรู้สึกอึดอัดเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดได้เราจะลดความอยากได้แล้วความอึดอัดก็จะไม่เกิดเกิยก็น้อยทำให้เรานั่งได้นานเวลานั่งก็ต้องมีสติไม่ใช่นั่งเฉยๆต้องนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยถ้าขี้เกียจพุโทโธก็ดูลมแทนก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากรู้เ่ะตอนนี้กำลังหายใจเข้า ตอนนี้หายใจออกนะแค่นี้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกแล้วก็รู้อยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมไปข้างในปอดไม่ต้องตามลมออกมาข้างนอกดูที่ปลายจมูกจุดเดียวตรงที่ลมเข้านมออกลมมันจะเข้าที่ปลายจมูกแล้วจะออกที่ปลายจมูกล้วก็ดูมันตรงนั้นจุดเดียวถ้าตามเข้าตามออกมันใจก็จะไม่นิ่งเพราะมันทางานมันต้องตามนม อย่าไปตามลมให้ดูลมดูตรงจุดเดียวเราต้องการให้จิตอยู่เฉยๆจิตจะอยู่เฉยๆได้ต้องไม่ทำอะไรจิตต้องอยู่เฉยๆให้รู้อย่างเดียวให้รู้ลมลองมาฝึกดูก่อนจะทมนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติก่อนลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธเลยพอจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทธโธเลย โดยถ้าจะคิดการคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทํางานหรือเปล่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ถ้าต้องไปทํางานอรู้แล้วต้องไปเตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวก็ตอนนั้นก็อดึงใจกลับมาให้อยู่กับงานที่เรากําลังทำํำเตรียมตัวไปอาบน้ําไปแต่งตัวไปรับประทานอาหารไปเดินทางไปที่ทํางานพอถึงที่ทํางานก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําเนีำอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียว แล้วพอมีเวลาว่างก็ถ้านั่งสมาธิได้ก็ลองนั่งหลับตานั่งบนเก้าอี้ก็ได้ที่ทํางานบางทีเรามีห้องทํางานของเราเองพอว่างจากงานแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปพุโทโธพุทโธไปแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายและรวดเร็วพอได้ความสงบแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยากได้อย่างอื่นนะเราอยากจะได้อย่างนี้อย่างเดียวะ ก็ลองทำไปดูนี่คือขั้นต้นสติแล้วขั้นที่สองค่อยมาหัดใช้ปัญญาสอนใจให้เยให้เลือกระหว่างความสุขที่ได้จากความสงบกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆว่าอันไหนดีกว่ากันถ้านึกมงด้วยปัญญาจะเห็นว่าความสุขจากสิ่งต่างๆนี้มันเป็นความสุขแบบ อยาขมเคลือบน้ําตาลใหม่ๆมันหวานพอน้ําตาลมันละลายแล้วเดี๋ยวมันก็ขมทุกอย่างเป็นอย่างนี้เพรใหม่ๆมันดีไปหมดพอใช้ไปสักพักแล้วมันจะเก่ามันจะเสียมันจะทําให้เราปวดหัวอให้มองให้เห็นว่ามันนนั้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเออ เราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้สู้อย่าไปมีมันดีกว่าสู้ไปมีสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าก็คือความสงบถ้าเราทำใจให้สงบได้ต่อไปเราจะควบคุมได้สั่งให้มันสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการ น, นี่คือเรื่องของการสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อกาจัดความวุ่นวายใจต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้มันหมดไป เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นและให้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็ยังมีความสุขอันนี้ได้ก็ขอให้ท่านจงนำออกไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ ต, ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาเลควาฮาปูราปาเลปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอ e ุปกะปติอิทิต an ังปะทิตังตุมห um ังคิปะเมวะสมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะหราโสยธามณนิโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโววินัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง เดี๋ยวขอตรวจสถิติก่อนยอดคนเข้ามาก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา441ย t u b e 250วิทยุออนไลน์20รับฟังข้างบนนี้53คนรวมทั้งหมด764ครับวันนี้ก็เยอะเกิน600ก็ถือว่าเ ย, ยอะตามปกติ600นี้เป็นเกณฑ์ธรรมดา บางทีก็ต่ำห้าร้อยบางแต่นานๆทีช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็แปดร้อยกว่าวันนี้ก็เจ็ดร้อยกว่ า, วนนว า, ามีคําถามาช่วยพูดผ่านทางไมโครโฟนนะค่ะก็อยากจะถามว่าทุกวันนี้ตอนปฏิบัติเนี่ยก็จะอยู่กับอานาปนาสติแล้วก็บางครั้งจิตฟุง้งก็ให้รู้ว่าฟุง้งแล้วก็แต่ก็จะไม่ดึงกลับมาก็คือให้รู้ว่าฟุง้งแล้วก็ให้มัน แล้วเราก็จะมาอยู่กับอานาปนาสติอีกรอบหนึ่งกับพุโทโธเจ้าค่ะแล้วบางครั้งตอนที่หนึ่งตอนที่เรารู้พุโทโธอีกรอบเนี่ยจะมีสภาวะคนลุกไปทั้งหน้าอย่างนี้ยค่ะคือแล้วการปฏิบัตินี้ตอนในชีวิตประจําวันก็จะเห็นว่าบางครั้งเกิดความโลภ ก, ก็จะไวขึ้นเห็นว่าโกรธก็ไวขึ้นเจ้าค่ะ อ, อมันพัฒนา<ป>ขึ้นในอีกแง่ค้าใค่ะขั้นต่อไปก็คือต้องเห็นแล้วต้องหยุดมัน เช่นมันโลภเรื่องมันโกรธเนี่ยเราสามารถหยุดชั่วคราวได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธพอโลภหรือโกรธก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภแลือสิ่งที่เราโกรธความโลภความโกรธนั้นก็จะหายได้ถ้าเราปล่อยให้มันโลภมันโกรธบางทีเราหยุดมันไม่ได้มันก็จะลามปามเป็นไฟได้ลุกเป็นไฟได้เวลาดูลมนี้ดูตอนนั่งอย่างเดียวแล้วดูตอนอื่นด้วย ดูตาม น, นั่งแล้วก็ตอนแต่ชีพจําวันถ้ารู้ว่ามันเริ่มเพลินหรือว่าฟุ้งไปแล้วก็จะเจะอยู่ตรงลมตรงไปลาจมูกเนี่ยถ้าดูลมได้ก็ดูแต่ถ้าก่อนหน้านั้นถ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไปก็จะดีคืออย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้มันอยู่กับงานการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแล้วถ้ามันออกนอกรูนอกทางขึ้นมา จะดูลมก็ได้จะใช้พุทโธก็ได้เพื่อดึงมันกลับเข้ามาใช่ถูกต้องนะพยายามทำไปทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นไปจนหลับนะล้วต่อไปสติจะมีกำลังมากและเวลานั่งสมาธิจะจะสงบได้ง่ายนะเอานะทมสบายนะยังกลับไปก็ได้ ต่อไปคําถามจากทางบ้านนะครับคุณมดบางครั้งเรารู้สึกคิดถึงครูบาอาจารย์และคิดจะไปกราบไปหาอันนี้เป็นสังขารปรุงแต่งให้แถออกไปใช่หรือไม่ครับมันก็เป็นความคิดคิดแล้วก็ต้องมีปัญญาคนยาวปัญญามาตรองไต่ตรองดูว่าควรจะไปหรือไม่ไป ขั้นตอนก็ต้องคิดด้วยเหตุผลว่าไปทําไมถ้าไปด้วยความอยากเฉยๆไม่มีเหตุผลก็เป็นกิเลสแต่ถ้าบอกว่าไปเพื่อที่จะไปฟังธรรมหรือไปถามปัญหามีคําถามที่ไม่เข้าใจอไปเพื่อหาคําตอบอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลเอแต่ถ้าไปตามอารมณ์นี่มันก็ไปได้เหมือนกัน แต่มันก็ต้องระวังเพราะว่าบางบางอารมณ์มันอาจจะไปอยากไปที่อื่นที่ไม่ไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กลับเกิดโทษก็ได้ไปหาครูบาอาจารย์มันไม่มีโทษมันมีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ก็ตามแต่ถ้าดีก็กควรจะใช้เหตุผลดีกว่าเพราะว่าการไปก็จะเสียเวลากับการเดินทาง เสียค่าใช้จ่ายเสียอะไรถ้าเรามาเปรียบกับว่าถ้าเราอยู่กับที่แล้วเราปฏิบัติธรรมเราจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราไปหาครูบาอาจารย์อย่างนี้เราก็ไม่ควรไปถ้าเรามีที่สงบที่เราปฏิบัติธรรมได้แล้วเรายังไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องไปดีกว่า แล้วยิ่งสมัยนี้เราสามารถเข้าถึงครูบาอาจารย์ผ่านทางสื่อต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปด้วยตัวเราเองเช่นเดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดถามสดได้อย่างนี้ก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางไปมาและเสียเงินทองโดยใช่เหตุอยู่ที่เราปฏิบัติเราจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้ว ถ้าเรามีคำถามเราก็สามารถถามได้โดยตรงเขาไม่ต้องไปอย่าไปเพราะบางทีถ้าเป็นอารมณ์นี่แสดงว่ามันอยากจะออกข้างนอกมันเบื่ออยู่บ้านอยู่ที่สงบมันเบื่อมันอยากจะออกไปหารรูปเสียงเก๋นินรถเพราะเวลาเดินทางไปหาครูบาอาจารย์มันก็ต้องผ่านสถานที่ต่างๆเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นการมฉันทะแล้ว เป็นนิวรณ์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวคำถามจากท่านทานอินบ็อกซ์ตอนนี้คุณแม่อายุแปดสิบเจ็ดเป็นมะเร็งที่ตับอาการไม่ดีแล้วค่ะมีลูกสามคนลูกชายคนเล็กที่แม่รักที่สุดรับราชการอยู่ที่อเมริกาน้องชายจะเดินทางมาเยี่ยมคุณแม่ทุกปีค่ะ บางปีก็มาสองสาครั้งพอคุณแม่มาป่วยแบบนี้น้องชายก็ไม่สบายใจรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ดูแลแต่แม่อยู่ที่นี่ก็มีพี่สาวกับหนูอีกคนช่วยกันดูแลถึงจะเหนื่อยแต่ก็เข้าใจน้องชายที่ต้องดูแลครอบครัวที่นั่นค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ถึงการวางใจของน้องชายทำยังไงถึงจะไม่รู้สึกผิด และมีกําลังใจและต้องใช้ธรรมะข้อไหนให้แม่ปล่อยวางเข้าถึงทำได้บ้างก่อนวาระสุดท้ายค่ะอะสําหรับน้องชายก็ช่วยในรูปแบบอื่นได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาด้วยตัวเองถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ส่งทรัพย์มาช่วยก็ได้อันนี้ก็อยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับความเป็นจริง ถ้าเรามีกำลังทรัพย์ก็เราก็ช่วยเหลือทางทรัพย์ไปกำลังกายเราไม่สะดวกที่จะมาเราก็เราก็ไม่ต้องมาก็ก็กกยังถือว่าเราได้ช่วยดูแลอยู่เพราะว่าบางทีมาอยู่ดูนากล้ชิดกันหลายหลายคนมันก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดี เ, ออเพราะคนไข้ก็คนเดียวออบางทีใช้คนเดียวก็ได้หรื อ, อสลับกันก็ได้หรือถ้าเราไม่มี เวลาที่จะมาเองเราใช้กำลังทรัพย์ให้น้องให้ใครไปทำหน้าที่แทนเราก็ไดนะ้อันนี้คือเรื่องของการที่จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราทอดทิ้งหรือไม่ได้ดูแลส่วนเรื่องว่าทำใจยังไงให้แม่เขาไปสบายหรือให้เราสบายคุณแม่ให้คุณแม่อันนี้อยู่ที่คุณแม่จะฟังหรือเปล่า พรถ้าฟังมันก็ให้แม่บอกปงเถิดให้ปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเรากําลังจะไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เหมือนกับเราเวลาที่ทําผ่าตัดเปลี่ยนไวย้ยอวัยวะแทนที่จะเปลี่ยนอวัยวะเดียวเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตนี่เราเปลี่ยนมันทั้ง32อวัยวะเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ สมบูรณ์ทุกอย่างคือไปเกิดใหม่คิดอย่างนี้แล้วช่วงที่ตายก็เหมือนกับช่วงที่นอนหลับดีๆนี่เองเพียงแต่ว่านอนหลับยาวกว่านอนธรรมดาถ้านอนธรรมดานอนแบบได้ร่างกายอันเก่าก็ไม่กี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะกลับได้ตื่นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าถ้าถ้าตายไปนี้ก็แบบว่าหลับแบบเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ พอติ่นขึ้นมาทีก็จะได้ร่างกายใหม่เอี่ยมออกมาจากโรงงานสดสดนอนนอนออคือเป็นทารกได้ร่างกายของทารกขึ้นมาที่มอีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างแข็งแรงกว่าร่างกายอันเก่าแล้วช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ร่างกายก็เหมือนตอนที่นอนดับนะก็จะอยู่ในความฝันไป จะฝันดีหรือฝันไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือที่บาปเราทําไว้ถ้าบาปบาปก็จะทําให้เราฝันไม่ดีถ้าบุญบุญก็จะทําให้เราฝันดีมีแค่นี้นะเรื่องความตายไม่มีอะไรเหมือนกับนอนหลับเลยตอนพอไม่มีร่างกายมันก็มันก็เหมือนกับนอนหลับไปเวลานอนหลับเราก็ไ ม, ม่เราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆแต่ใจเราก็ฝันไปนั้นคนตายก็คือคนที่กำลังนอนหลับคนที่ฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาได้คำถามจากคุณเครือวันมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งทธุรกิจอยู่ที่บ้านมีโอกาสได้ไปถวายสังฆทานที่วัด อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ได้โอนเงินฝากเพื่อนกัลยาณมิตรรมไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆทั่วไปเป็นประจําอานิสงส์ของบุญจะเหมือนกับที่เราทำเองหรือเปล่าคะเหมือนกันเนี่อยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราทำนะถ้าเราทำร้อยบาทด้วยตัวเราเองทำร้อยบาทด้วยการฝากให้เขาไปทาให้เราเราก็ได้อานิสงส์เท่ากันคำถามที่สอง ทำบุญทุกครั้งจะตั้งจิตอธิษฐานขอให้พ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกว่ า, วาบุญมันมีหลายอย่างยบุญบางอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์นรงั้นขออย่างไงก็ไม่ได้ถ้าอยากจะให้พ้นทุกข์ต้องทาบุญที่ทำให้เราพ้นทุกข์บุญที่จะทาให้เราพ้นทุกข์ก็คือต้องขั้นภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาถึงจะพ้นทุกข์ได้ บุญที่ทําด้วยการทําทานนี้ทําให้เราไปเกิดเป็นเทวดาทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทําทานควบคู่ไปกับการรักษาศีลเอนั้นบุญแต่การทําบุญแต่ละอย่างมันมีผลตอบแทนไม่เหมือนกันเหมือนกับที่เราเอาไปลงทุนกับบริษัทต่างๆเขาก็มีผลตอบแทนให้เราไม่เหมือนกันเอ เราต้องศึกษาว่าบริษัทนี้ลงทุนแล้วเราจะได้เท่าไหร่ลงทุนกับบริษัทนี้แล้วจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำนี่มีหลายมีผลตอบแทนต่างกันถ้ารักษาศีลอย่างเดียวก็ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลแล้วทำบุญด้วยก็จะไปเป็นเทวดาถ้านั่งสมาธิได้ก็จะไปเป็นพรหม ถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาได้ก็จะไปนิพพานพ้นทุกข์อย่างถาวรยังได้อยากจะไปนิพพานพ้นทุกข์อย่างถาวรต้องรักต้องทำบุญทาทานต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิและต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาถึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้ขอไม่ได้ใส่บาทแล้วก็ขอให้พ้นทุกข์นี่ไม่พน้น คำถามต่อไปจากคุณอัญชลีระหว่างการมีเงินหนึ่งพันบาทแล้วทําบุญหนึ่งพันบาทกับมีเงินหนึ่งล้านบาททําบุญหนึ่งพันบาทแบบไหนจะได้บุญมากกว่าคะทั้งสองกรณีทําด้วยใจเมื่อวานนี้ถามแล้วตอบไปแล้วไม่รู้เขาถามมาอีกเลยถามมาอีกครับอถามมาอีกก็เงินที่เราทําบุญของแต่ละคนนี้มีความมีผลต่อคนทําบุญนี้ มันได้อยู่ที่ปริมาณของเงินแต่อยู่สัดส่วนของเงินที่เราทําหมายถึงว่าสัดส่วนของทรัพย์สมบัติที่เรามีทั้งหมดเช่นเรามีล้านหนึ่งเราทําพันหนึ่งก็เท่ากับเราทําเพียง อ, อกี่เปอร์เซนเน็นต์นะจุดศูนย์หนึ่งเปอร์ซนต์ะไม่ถึงหนึ่ง เ, เปอร์เซ็นมั้งเปอร์เซ็นต์ของล้านหนึ่งเอร์ซ็นมันหมื่นหนึ่งเฮียร้ยเปอร์เซ็นมันแสนเ อ, อถ้าเท่ากับเราทํา หนึ่งในสิบของหนึ่งอร์ซนเนหนึ่งพันแต่ถ้าเรามีพันหนึ่งแล้วเราทำทั้งพันเลยแสดงว่าเราทำร้อยเซนงั้นคนที่ทำร้อยเปอร์ซ น, นี้จะได้ความสุขใจมากกว่าคนที่ทำจ0ดศ น, น, พนเพราะซข้อความรู้สึกที่ว่าได้ศูญเสียไปนี่น้อยมากเสียไปพันเดียวยังเหลือต้องเก้าเหเก้าล้านเก เก้าร้อยอยู่นะ 9, อะเก้าเก้าพันเนี่ยแต่คนที่เสียพันหมดเนื้อหมดตัวเลยเอไม่มีเงินทองเหลืออยู่เลยแต่ยินดียอมเสียเออันนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเพราะเขาเสียสละได้มากกว่าถ้ามองตามสัสดส่วนของทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่แต่อีกประการหนึ่งคือบุญ น, นี้นอกจากที่จะ เกิดความสุขใจแล้วยังเป็นบุญที่จะตอบสนองเราในภพชาติต่อไปคือจะเป็นเหมือนเงินฝากในธนาคารนะทีนี้ถ้าเราฝากไว้พันหนึ่งชาตินหน้าเรากลับมาเราก็เบิกได้แค่พันเดียวบวกดอกเบี้ยแตถ้าเราฝากไว้ล้านถ้ า, าฝากไว้ล้านหนึ่งชาตินหน้าเรากลับมาเราก็จะเบิกได้ล้านหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณพยัก ผมปรารถนาออกบวชตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ติดบ่วงคุณแม่และลูกที่ต้องดูแลจะทำยังไงดีครับถึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ให้ได้ครับก็ต้องทำไปจนกว่ามันจ ะ, ะเปิดทางให้กับเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปก่อนทำตามเท่าที่เราจะทำได้ไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนมีเวลาว่างวันไหนก็ไปอยู่วัดเป็นไปบวชชั่วคราวก่อน บวชสามวันบวชห้าวันอะไรองนี้ไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวมันทุกอย่างมันก็จะคลายมันออกไปเองอะ่ะเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นเหมือนเดิมต่อไปทางบ้านก็อาจจะบอกว่าปล่อยให้เราไปบวชก็ได้เขาดูแลตัวเขาเองก็ได้ถ้าเขารู้ว่าความปรารถนาของเราแล้วค้าเห็นคุณประโยชน์ของการไปบวช เ้าก็อาจจะนุโมทนาแล้วบอกไปเถิดไม่ต้องกังวลก็ได้เห็นขอให้ใจเย็นๆถ้ายัางไปไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติตามกาลังของเราไปก่อนคําถามต่อไปจากคุณก้อยถ้าเราอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ตักบาตรทุกเช้าเพราะเมืองที่อยู่ไม่มีพระบิณฑบาตมีทางอื่นไหมคะที่จะทําให้เราเหมือนได้ตักบาตรทุกวันก็เอาเงินที่เรา จะใช้กับการตักบาตรใจกระปุกไว้แล้วพอได้ก้อนหนึ่งก็โอดไปที่วัดวัดไหนก็ได้บอเป็นค่าอาหารของพระก็ได้เป็นค่าน้ำค่าไฟหรือเป็นค่าบารุงวัดก็ได้ก็เทว่าเราได้ทำบุญทุกวันได้ใส่บาตรทุกวันถ้าอยากให้มันเหมือนจริงเนี่ยนี่ก็มีกระปุกแบบเป็นรูปบาตร ไปซื้อตามร้านสังกปันเนี่ยเขาจะมีบาทรูปบาทที่เป็นกระตุกกระปุกออมสินอย่างนี้แล้วมีช่องที่ฝาบาทจะมีช่องมีรูให้เราหยดเหรียญเข้าไปรือใส่เงินเข้าไปแล้วทุกครั้งวันไหนเราอยากจะใส่บาทเราก็เอาเงินใส่บาทไปแล้วพอเราไปวัดเราก็เอาเงินนี้ไปหรือถ้าเราไม่ไปวัดเราจะโอนเงินไปก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณนภัสิริเมื่อเช้าไปใส่บาตรแต่ยังไม่ได้กรวดน้ำกรวดตอนนี้หรือตอนเย็นได้ไหมเจ้าคะได้เราลึกถึงบุญที่เราทำไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคลบคลนั้นบุคคลนี้ถ้ากำลังรอรับอยู่ก็ขอให้มารับไปเถิดสงสารคนที่เขารอรับบ้างสิ ทำบุญปั๊บได้กวดไปเลยมีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรเหมือนโอนเงินเนี่ยถ้ายังไม่โอนคนที่เขารอรับเงินไป <c oughs> ก็ยังเอาเงินไปใช้ไม่ได้เพรนั้นถ้าเราจะทำบุญทั้งทีจะโอนเงินทั้งทีก็โอนมันไปทันทีเลยเอทำบุญเสร็จก็รีบกวดน้ำเลยเพอใส่บาศเสร็จก็นั่งพับเพียบนั่งตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานไปในใจว่าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไป คำถามต่อไปจากคุณดิศยาเม d i t a เ i o n a เรียบนภูเขารับเฉพาะโยมผู้ชายใช่ไหมคะทราบว่าที่วัดมีที่พักสำหรับฝึกสมาธิถือศีลด้านล่างมีการปิดวาจาเอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนบนเขาหรือไม่คะถ้าอยู่ข้างล่างก็จะอยู่แบบไม่อยู่เป็นหอพัก มีเ็นหอพักแล้วก็มีกิจวัตรให้ลงไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในโบสถ์ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ไปใส่บาตรทำบุญที่ศาลาคำถามต่อไปจากคุณวิการทำสมาธิเรายังนั่งได้ไม่นานประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงในวันหนึ่งถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้ดีเราไปทำสติ แล้วกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆสักวันหนึ่งสมาธิเราจะดีขึ้นไหมเจ้าคะดีขึ้นราต้องทําพร้อมกัน้งสลับกันไปเวลาไม่นั่งสมาธิก็ต้องฝึกสติพอฝึกสติแล้วก็ต้องหาเวลามานั่งด้วยไม่จะไม่ใช่ฝึกสติอย่างเดียวโดยไม่นั่งมันต้องทําทั้งสองอย่างแต่ผัดกันทําช่วงที่ไม่นั่งก็ฝึกสติไบ พอพอเ ว, าวลาว่างก็ต้องบังคับให้นั่งแล้วต่อไปมันก็จะนั่งได้นานความจริงเราไม่ได้นั่งดูที่เวลาเป็นหลักถ้านั่งได้นานแต่ไม่สงบก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนั่งให้มันนานแล้วสงบด้วยถึงจะเป็นประโยชน์ถ้านั่งไม่นานแต่สงบก็ดีกว่านั่งนานแล้วไม่สงบฉะนั้นขอให้เราดูที่ความสงบเป็นหลักจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่สติว่ามีมากมีน้อย คำถามนะครับฟังเทศว่าความสุขจากความสงบเป็นสิ่งที่เราสั่งได้โยมสงสัยว่าก็ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ใช่หรือเจ้าคะมีอันนี้ไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาคือเราสามารถที่จะเข้าได้เสมอเมื่อเรามีเวลาว่าง คำถามต่อไปจากคุณสุมิตาการนั่งสมาธิทุกครั้งก่อนนั่งสมาธิจะเดินจงกรม30นาทีและนั่งสมาธิแต่พอนั่งแล้วจิตไม่นิ่งค่ะจะนั่งได้แค่15นาทีแล้วก็รู้สึกอึดอัดและก็ต้องเปิดตาและหลับตาใหม่อีกครั้งจะรบกวนพระอาจารย์แนะนําวิธีปฏิบัติให้นั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นและให้อึดด้วยค่ะ ก็เวลานั่งก็ต้องมีพุโทโธหรือต้องมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆเดินไม่มีอะไรกำกับใจควบคุมใจเวลาเดินจงกรมก็ต้องคอยกำกับใจไม่ใช่เดินเฉยๆเดินด้วยร่างกายแต่ใจคิดเรลยเปื่อยก็ไม่เป็นการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี่ต้องควบคุมใจให้อยู่กับการเดินหรือให้อยู่กับพุโทโธถึงจะเรียกว่าเดินจงกรมนะยังไงพยายามควบคุมใจ ให้มีสติมากขึ้นด้วยการให้มันอยู่กับลมหายอยู่กับการเดินเวลาเดินอยู่กับพุโทโธก็ได้หรืออยู่กับการเดินก็ได้ให้มากที่สุดแล้วเวลามานั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นไปตามลำดับเวลานั่งก็ต้องมีสติอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจคำถามต่อไปจากคุณจิรศักดิ์ตอนนี้ผมกำหนดจิต ท, ที่บริเวณหน้าอก แต่มีบางครั้งจุดที่กําหนดไว้จะเคลื่อนย้ายไปทางขวาบ้างซ้ายบ้างแต่โดยมากจะอยู่ที่อกด้านซ้ายอาการแบบนี้คืออะไรครับก็เป็นอาการของจิตนั่นแหละจิตมันไม่นิ่งมันก็หลอกเราเคลื่อนไปเคลืนมาความจริงแล้วต้องกําหนดอยู่ให้อยู่กับสิ่งที่มันไม่เคลื่อนจะดีกว่าเช่นลมนี่ลมมันอยู่จุดเดียวให้มันอยู่ที่ปลายจมูกมันก็จะอยู่ที่ปลายจมูกลมมันไม่ไปที่อื่นน่ะ ที่เราไปกําหนดจิตให้อยู่ที่กลางอกนี่กลางอกเดี๋ยวเกิดจิตมันจะเคลื่อนไปนู่นมานี่เรามันก็ห้ามมันไม่ได้ยังไงเรากําหนดด้วยพุโทโธดีกว่าหรือกําหนดด้วยลมหายใจเข้าออกดีกว่ามันจะได้อยู่ที่เดียวได้ถ้ากําหนดพุดโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับคําบริกรรมไปมันก็จะไม่เคลื่อนไปที่อื่น ถ้าเคลื่อนมันก็แสดงว่ามันไม่พุทโธมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงมันกลับมาที่พุทโธถ้าดูลมหายใจแล้วมันไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่กับลมหายใจก็ดึงมันกลับมาให้อยู่ที่ลมหายใจใหม่ๆมันจะเป็นการชักกระเยือกกันเราดึงให้มันอยู่กับที่แต่ใจมันก็อยากจะไปเหมือนลิงอ่ะมันมันจะไม่ยอมอยู่กับที่ถ้าเชือกเราไม่แข็งเดี๋ยว จับมันมัดไว้ถ้าเป็นเชือกกล้วยมันก็ตกทีก็ขาดมันก็ไปสติเล้วใหม่ๆก็เป็นเหมือนเชือกกล้วยพอผูกจิตให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมได้ปป๊บหนึ่งมันก็ขาดะก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปเชือกมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเองตามลําดับตามกําลังของการฝึกสติของเราคำถามต่อไปจากคุณจตุรน เมื่อนั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเกิดเวทนาที่กระดูกควรจะพุทโธต่อไปหรือว่าพิจารณาแยกจิตออกจากเวทนาครับก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าเราสามารถทําอย่างไหนได้ถ้ายังแยกจิตไม่ได้แยกจิตไม่เป็นก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธอย่าส่งจิตไปหาเวทนาเพราะโดยธรรมชาติพอจิตมันเห็นเวทนาแล้วมันจะเกิดตัณหาความอยาก อยากให้มันหายแล้วมันจะเกิดความทรมานใจจนทนไม่ไหวแต่ถ้าเราผูกจิตให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเวทนาเวทนาก็จะไม่มารบกวนเพราะความอยากที่ให้เวทนาหายไปมันไม่มีใจ ก, ก็จะไม่ทรมานและอาจจะเข้าสู่ความสงบได้ เพราะตอนนี้ใจถูกบังคับให้มีสติอย่างเต็มที่นั่นเองถึงจะฟันฝ่าเวทนาไปได้หรือถ้าดูลมก็ต้องดูลมอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเวทนาให้อยู่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้มันดูอย่างนั้นอย่างเดียวช่วงไหนที่มีความเวทนาเนี่ยมันจะใจจะถูกบังคับให้มีสติมากถึงจะเข้าถึงจะอยู่ถึงจะสู้กับเวทนาได้แต่ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันทนไม่ไหว เดี๋ยวมันก็ต้องยอมแพ้ลุกขึ้นไปคำถามต่อไปจากคุณนภัสสิริกราบสอบถามถึงอานิสงส์ของการใส่บาตรทุกเช้าเจ้าค่ะสำหรับผู้ให้ก็คือเหมือนกับให้อาหารจิตใจนั่นแหละการทำบุญทำทานนี่เป็นอาหารของจิตใจทำบุญแล้วใส่บาตรแล้วจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจจะลดตันหาความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้เยอะถ้าไม่ได้ทาบุญแล้วมันใจมันจะหิวตัณหามันจะแรงอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากไปที่นู่นอยากมาที่นี่แต่พอเราทําบุญแล้วมันจะลดตัณหาความอยากต่างๆให้เบาเพราะเวลาทําบุญมันทําให้ใจเราอิ่มนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณพยักษ์การบริจาคเลือดบริจากร่างกายและอวัยวะ ถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งไหมครับถ้าบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ได้อยู่ได้ทานเช่นบริจาคเลือดนี้ได้เนื้ อ, อไวบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นตาข้างหนึ่งไตข้างหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เอาไปช่วยคนอื่นได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้บุญเพราะเป็นการทาทาน แต่ถ้าให้ตอนที่เราตายไปแล้วนี้มันไม่ได้เป็นบุญเพราะเราไม่รู้แล้วตอนนั้นว่าเราให้หรือไม่ให้คำถามต่อไปจากคุณวิอยากทราบถึงวิธีการทาสติที่ทำให้ได้สตินานๆเจ้าค่ะก็เนี่ยพุโทโธไปกันเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย อย่าให้ใจไปทำอย่างอื่นทำพร้อมๆไปกับร่างกายร่างกายอาบน้าก็อาบน้ำไปกับร่างกายร่างกายหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกายร่างกายแต่งตัวก็แต่งตัวไปกับร่างกายทำไปทั้งวันไม่ใช่ทำแค่แป๊บๆเดียวหัดทำให้มันเป็นนิสัยต่อไปมันจะทำได้ตลอดเวลามันจะเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วมันก็จะมีสติที่มีกาลังมาก พอเวลาให้นั่งดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้พอไม่คิดมันดูลมอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้คําถามต่อไปจากคุณอภิธานคิดถึงความตายแล้วกลัวตายมากเลยครับควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ไม่กลัวตายครับทบตอนตอนนี้ถ้าเรายังกลัวตายอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังอ่อนอยู่ยังอ่อนไว้สู้กิเลสไม่ได้ เลเป็นตัวสร้างความกลัวตายขึ้นมายันตอนถ้าเรายังกลัวตายอยู่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายให้สร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนถ้าเรามีสติมีสมาธิกำลังมากแล้วเวลาเราคิดถึงความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยถ้ายังไม่รู้สึกเฉยเฉยก็แสดงว่าใจเรายังไม่พร้อมที่จะพิจารณาความตายคาถามนะครับต่อเ น, นื่องจาก การทำสมาธิทำไมสุขจากความสงบเป็นนิจจังเจ้าคะโยมงงค่ะก็มันอยู่กับเราตลอดไงเราต้องการเมื่อไหรม่มันก็เรียกมันขึ้นมาได้คำถามต่อไปจากคุณดิศยาการฟังธรรมเราสามารถลืมตามองผู้เทศได้ไหมเจ้าคะเป็นการไม่สํารวมหรือไม่คะ ก็มันเป็นการส่งจิตออกข้างนอกถ้าไปมองผู้เทศเดี๋ยวก็อาจจะไปวิพากวิจาร์ผู้เทศว่าตาตาคมจมูกแหลมปากเเบี้ยวอะไรว่าไปแทนที่จะฟังธรรมก็เลยไปวิพากวิจาร์ อย่านีอย่าไปรับรู้สิ่งภายนอกดีกว่าให้ปิดตาหูจมูกลิ้นกายเปิดแต่หูอย่างเดียวให้รับแต่เสียงอย่างเดียวให้มีสติอยู่กับการฟังจะสบายกว่าด้วยการหลับตาฟังจะสบายจิตไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกให้จิตอยู่ข้างในไว้คอยรับธรรมะ แล้จิตก็จะสามารถพิจารณาตามก็ได้หรือถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาถ้าถ้าจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ได้พิจารณาก็จะได้สมาธิได้ความสงบคำถามต่อไปจากคุณการการนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเราจะได้รับบุญกุศลตั้งแต่ตอนเริ่มนั่งเลยไหมครับ หรือต้องรอให้ถึงจิตสงบก่อนจึงจะเริ่มได้บุญกุศลจากการนั่งสมาธิครับก็เหมือนกับปลูกต้นไม้นะเพราเราปลูกต้นไม้นี้มต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลก็ได้แต่ต้นไม้เราก็ต้องมีต้นไม้เราถึงจะมีผลต่อไปได้แต่ตอนที่ปลูกต้นไม้นี้ต้นไม้ยังไม่มีกาลังที่จะออกดอกออกผล ในเวลาที่เรานั่งสมาธินี้ยังไม่เกิดความสงบนี้เรายังไม่ได้ผลแต่เรากําลังสร้างเหตุเพื่อใช้เกิดผลขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณพรศิรินั่งสมาธิกําหนดพุดโทโธไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวเบาๆเหมือนร่างกายเราจะออกตกใจก็กําหนดพุดโทโธจนรู้สึกตัวกลับมาค่ะอาการแบบนี้คืออะไรเจ้าคะก็เพลสติ เวลานั่งแล้วถ้าไม่มีสติมันก็จะเผลอมอมันก็จะเคลิมคล้มๆเลยจะไม่รู้สึกตัวเออแต่ถ้ามีสติมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้ามีพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆมันจะรู้สึกตัวหรือถ้าดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆมันก็จะรู้สึกตัวงั้นพยายามอย่าทิ้งสติเวลานั่งนี้ต้องสตินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดผลตามมาต่อไปเวลาก็พอสมควรก็คิดว่าขอยุติการสนทนากันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจพิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ